ตอนนัอนัปริพาชิกาเมื่อจะทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์ตรัสว่าจะให้ชนห้าคนเหล่านั้นมีพระราชมารดาเป็นต้นแก่ผีเสื้อน้ำและตรัสว่าจากประทานชีวิตของพระองค์แก่มโหสถบัณฑิตโดยไม่คำนึงถึงสิริราชจะสมบัติเห็นปานนี้พระองค์ทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตนั้นอย่างไรดังนี้ จึงกล่าวคาถาเหล่านั้นว่าพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสมุดเป็นขอบเขตทุกด้านเป็นประหนึง่งกุลทนที่อยู่ในสาคอนทรงมีอมาตแวดล้อมทรงมีบ้านเมืองแว่นแคว้นใหญ่จรดสีคาบสมุดทรงเป็นผู้พิชิตทั้งรีผลของพระองค์เล่าก็มากมายพระองค์ทรงเป็นพระราชาเอกแห่งปัตภี พระราชะอิสริยยศของพระองค์ถึงความไพยบูรเหล่านารีของพระองค์ก็มีถึง 16,00 งนหกนนางล้วนสำอางแต่งองค์ทรงเครื่องเรืองระยับมาจากชนบทต่างๆทั่วชมพูทวีปทรงสิริโสภาคเปรียบด้วยเทพกัญญาพระชนมชีพของพระองค์เปรียบพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งความสุขอย่างครบครันทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดิน แม้พระองค์มีพระราชประสงค์ก็จะสำเร็จสมพระหฤทัยปราถนาทุกประการหน้าที่พระองค์จะตรัสว่าต้องการจะมีพระชนอยู่ยาวนานเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงป้องกันมโหสถบัณฑิตไว้ทรงสละพระชนของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งสละได้ยากด้วยเหตุอันใดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีสมุดเป็นขอบเขตทุกด้าน สัสมุตทะปริสาสังได้แก่ประกอบด้วยเครื่องแวดล้อมคือสมุดกล่าวคือจรดมหาสมุดคำว่าประหนึง่งกุลทนที่อยู่ในสาครสาครกุณดลังความว่าเป็นกุนทนแห่งสาครที่ตั้งแวดล้อมแผ่นดินนั้นคำว่าทรงเป็นผู้พิชิตวิชิตตาวีได้แก่ทรงพิชิตสงคราม คำว่าเป็นพระราชาเอกเอก ร, ราชาความว่าเป็นพระราชาเอกทีเดียวเพราะไม่มีพระราชาอื่นที่เช่นกับพระองค์คำว่าสำเร็จสมพระหฤทัยปราถนาทุกประการสัพพกามะสมิธินางความว่าประกอบด้วยความสำเร็จแห่งวัตถุกรมและกิเลสกามแม้ทุกอย่างคำว่าที่มีความสุข สุขิตานังความว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเราสัตว์ที่มีความสุขเห็นปานนี้ย่อมปรารถนาชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างอย่างนี้อันเป็นที่รักให้อยู่นานๆไม่ต้องการชีวิตความเป็นอยู่น้อยเลยคำว่าพระชนปานังความว่าพระองค์ทรงป้องกันมโหสดบัณฑิต สละชีวิตของพระองค์เห็นปานนี้เพราะเหตุไรพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคําของปริพาชิกานั้นแล้วเมื่อตรัสคุณของมโหสถบัณฑิตจึงตรัสคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่แม่เจ้ามโหสถบัณฑิตแม้จะมาจากบ้านเมืองอื่นก็มาด้วยมุ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังไม่ทราบถึงความชั่วแม้สักน้อย ของมโหสถผู้เป็นปราดเลยถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายไปก่อนในการไหนไหนก็ตามเถิดมโหสถก็พึงยังลูกและหลานของข้าพเจ้าให้มีความสุขมโหสถย่อมเห็นแจ่มแจ้งซึ่งความเจริญทุกอย่างทั้งอนาคตและปัจจุบันข้าพเจ้าไม่ยอมให้มโหสถบัณฑิตผู้ไม่มีความผิดเลยแก่ผีเสื้อน้ํา บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในการไหนไหนกิมฮิจิกะเลแปลว่าในการไหนไหนคำว่าพึงให้มีความสุขสุขาเปยะความว่าพึงให้ตั้งอยู่ในความสุขทีเดียวคำว่าความเจริญทุกอย่างสัพพมัดถังความว่ามโหสถย่อมเห็นแจ่มแจ้งซึ่งความเจริญทุกอย่าง ทั้งอนาคตและปัจจุบันหรืออดีตราวกับพระพุทธเจ้าผู้สัพพันอยู่คาว่าผู้ไม่มีความผิดเลยอนาปราธะกรัรมมันตังความว่าเว้นจากความผิดทางกายกรรมเป็นต้นคําว่าไม่ยอมให้ณทัทชังความว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าพเจ้าจากไม่ให้บัณฑิต ผู้มีธุระไม่มีใครเสมอเหมือนอย่างนี้แก่ผีเสื้อน้ำพระเจ้าจุลนีทรงยกย่องเกียรติคุณของพระมหาสัตว์ขึ้นประกาศประหนึ่งทรงยกดวงจันทร์ขึ้นฉะนั้นด้วยประการชนี้ชาดกนี้มีเนื้อความติดต่อกันด้วยประการชนี้ลำดับนั้นนางเพรีปริภาชิกาคิดว่า เกียติคุณของมโหสถบัณฑิตปรากฏเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอเราจะกระทาเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตให้ปรากฏในถ้มกลางชาวเมืองทั้งสิ้นทีเดียวให้เป็นประหนึ่งว่ารถน้ํามันลงบนผิวแม่น้ำแผ่ขยายไปฉะนั้นคิดชะนีแล้วจึงเชิญพระเจ้าจุลณีลงจากปราสาสตรให้ปูราดอาสนะที่พระลานหลวง นั่งบนอาสนะนั้นแล้วประกาศให้ชาวเมืองมาประชุมกันแล้วทูลถามพระเจ้าจุลนีถึงปัญหาผีเสื้อน้ำตั้งแต่ต้นอีกในเวลาที่พระเจ้าจุลนีตรัสโดยในที่ตรัสแล้วในหนหลังนางเพรีปริภาชิกาได้กล่าวประกาศแก่ชาวเมืองว่าชาวปัญจาละทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังพระดํารัสของพระเจ้าจุลนีนี้ พระองค์ทรงปกป้องมโหสถบัณฑิตสละพระชนซึ่งสละได้ยากพระเจ้าปัญจาละทรงสละชีวิตของพระชนนีพระมเหสีพระกนิษฐาพาดาพระสหายและพรามเกวตตะและแม้ของพระองค์เองเป็นหกคนด้วยกันปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงเป็นสิ่งละเอียดเป็นเหตุให้คนเรามีความคิดในทางที่ดี ย่อมมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในภายหน้าด้วยประการชนิดบรรดาคาเหล่านั้นคำว่ามีประโยชน์ใหญ่หลวงมหัตถิยาความว่าถือเอาประโยชน์ใหญ่ตั้งอยู่คำว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันทิฏฐธรรมะหิตตัทธายะความว่า ย่อมมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในอัตภาพนี้ทีเดียวและเพื่อประโยชน์สุขในประโลกนางเพรีปริพาชิกาถือเอายอดธรรมเทสนาด้วยคุณทั้งหลายของพระมหาสัตว์ดุจับที่แท่งมณีอันเป็นยอดแห่งเรือนแก้วฉนั้นด้วยประการชนนี้แหลปัญหาผีเสื้อน้ำจบอัทธกถามหาอุมมังคชาดก จบโดยประการทั้งปวงพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงด้วยประการชนนี้แล้วเมื่อทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาย่ำยีวาทะของผู้อื่นแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้า ตถาคตยังบำเพ็ญจริยาเพื่อประโยชน์โพธิญาณอยู่ก็มีปัญญาเหมือนกันตรัชนีแล้วได้ตรัสคาถาเหล่านั้นว่าเสนกะบัณฑิตในครั้งนั้นคือกัสสะภิกษุในบัด น, นี้กามินทะคืออัมพัทธภิษุปุกะกุสะคือโปฎฐปาทะภิษุปัญจาละจันทกุมารคืออนุรุทธภิกษุ เควินทะคือโสนธันดกะพิษุพราหมเกวัตตะคือเทวทัตภิกษุพระนางสลากเทวีคือถูละนันทิกาภิกษุณีพราหมอนุเกวัตตะคือโมฆคลานภิกษุพระนางปัญจาลจันทีคือสุนทรีภิกษุณีนางนกสาลิกาคือพระนางมาลิกาเทวี พระนางอุทุมพรเทวีคือโคตมีภิกษุณีพระเจ้าวิเทหราชคือการุทายีภิกษุนางเพรีปริพาชิกาคืออุบบนวนาภิกษุณีครุหบดีผู้บิดาคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชครุหะปตานีผู้มารดาคือพระนางสิริมหมายานางอมาราคือพระพิมพาผู้เลอโฉม ติคีนกุมานคือช น, นะภิกษุนุเสขะคือราหุนภิกษุนกสุวะบันดิตคืออานนทพิกษุพระเจ้าจุลนีคือสารีบุตรภิกษุมโหสถบันดิตคือเราผู้โลกนาฏเธอทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้แลมโหสถชาดกบันดิตจบ